คำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทอชีวรหรือสมุิสีมาต้องอบัตทุกกฎสวดจบยติต้องอาบัต ท, ทุกกฎ จ, จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัต ท, ทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปชาต้องอาบัตปาจิตติคณะและอาจารย์ต้องอาบัต ท, ทุกกฎ